เรัตนวัคเกวัตสิกะสาธิกาสิกขาบทว่าด้วยการทำภาพน้ำฝนเรื่องพระชับขีห้าสี่สิสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตภาพน้ำฝนสำหรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุฉับขีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตภาพน้ำฝน จึงใช้ภาพน้ําฝนไม่ได้ขนาดปล่อยห้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกพิสูจชาวพีจึงใช้ภาพน้ําฝนไม่ได้ขนาดเล่าขั้นพิสูจทั้งหลายตําหนิพวกพิสษุชาวพกีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ